namo tassa bhagavato arahato samma sammubhassa namo tassa bhagavato arahato s a ar ah s a m m a s a m b h a t a s a m บุททางธรรมังสังฆังนม า, ามสาเมีน <c oughs> วันนี้วันวิสาขบูชาเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนทั่วโลกถือว่าเป็นวันที่สำคัญที่สุดในรอบปี เพราะว่าเป็นวันที่เราได้ฉลองการประสูตรการตรัสรู้และการพินิพาณของพระพุทธองค์เหตุการณ์เหล่านี้เราถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนแล้วก็ หลังจากมีสเหตุหการณ์สามเรานี้แล้วก็ไม่มีอีกต่อไปเราะต่อมาและความสำคัญของการประสูตรการรัสรุ้และการพรดนิพานมีมากเรามีกับเราทุกคนในจงกระทังถุกวันนี้เพราะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่เรียกว่าอากาลีโก ไม่จำกัดการทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าการปรากฏและการปังเกิดขึ้นของกัตถาคตและพ ร, ระผู้มิพระภัคเจ้าเป็นการพิสูจน์สิ่งที่มนุษย์เราไม่เคยรู้มาก่อนไม่เคยคาดคิดมาก่อนทำพิสูจน์ถึง ความสามารถหรือส ก, กิยภาพของมนุษย์ที่จะพ้นจากความทุกข์ท่้งปวงและที่จะเข้าถึงความเป็นอิสระอย่างแท้จริงในคำพีรในประสูนย์พระผู้มีพระภาคเจ้ายังทรงเล่าถึง เหตุการณ์ในวันประสูิอย่างน่าอัศจรรย์บางคนอ่านแล้วรู้สึกศรัทธาแต่คนจำนวนไม่น้อยอ่านแล้วไม่เชื่อเพรามั น, ม, นมันเกินไปแต่เป็นสิ่งที่น่าสังเกตและน่าภาคภูมิใจมาก ของของศาสนาของเราว่าถึงแม้ว่าเราไม่เห็นมีความเห็นไม่ตรงกันในรายละเอียดของพุทธประวัติหรือในสิ่งที่เราได้อ่านได้ศึกษาในตำราและคำพีเราก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งต่างกันมากกับศาสนาบางศาสนา ถ้ามีความคิดเห็นไม่ตรงกับคำภีแล้วจะถูกไล่ออกจากาศาสนาไปเลยถือว่าเป็นขอนนอกีตหรือสมัยก่อนอาจจะถูกประหารชีวิตไปเลยแม้จงกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังมีลักษณะอย่างนี้เหลืออยู่ในโลกเราแต่คงพุดศาสนาพุธเราไม่เคยไม่เคยคิดอย่างนั้นเลย เือให้ความเคารพให้เกียรติแก่ผู้ศึกษาโดยให้เราทุกคนอ่านฟังด้วยจิตใจที่เป็นกลางด้วยหวังประโยชน์ต่อชีวิตของตนแต่หากว่าคำสอนข้อใดอยังไม่เป็นประโยชน์แก่เราหรือรอย่างเรายังไม่สามารถที่จะรับประโยชน์จาก คำสอนข้อนั้นเราก็เอาไว้ก่อนถ้าไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้เรามีเหตุมีผลในการไม่เชื่อไม่ใช่ว่าปฏิเสธด้วยอารมณ์หรือด้วยความงมงายและการรับฟังคําสอนของท่านก็เหมือนกันท่านก็ไม่ให้เรารับ อย่างหลับตาแต่ให้เราเทียบเคียงกับประสบการณ์ชีวิตของเราว่ า, าตรงไหมมีทางที่จะเป็นไปได้ไหมการนั้นเมื่อเราอ่านเรื่องประสูดไม่ต้องเป็นกังวลว่าเราบาปหรือเปล่าเราอ่านแล้วไม่เชื่อเพราะนั้นก็ไม่ใช่ประเด็นที่สำคัญประเด็นที่ เราควรจะเน้นก็คือเราเราจะได้ขอ ค, คิดอะไรบ้างจากเรื่องนี้รัพย์ภูที่ที่ท่านเขียนหรือท่านท่านแต่งนั้นท่านต้องการให้เราได้ขอ ค, คิดอะไรบ้างโดยถ้าถ้าเป็นความจริงทำไมความจริงอย่างนี้จึงปรากฏขึ้นในลักษณะอย่างนี้เพราะว่าต้องมีเหตุมีปัจจัยเหมือนกันฉะนั้นใน ในประสูตรบอกว่าพระพุทธมันดาคลอดในอิเรียบทยืนแล้วมีเทวดารับท่านก่อนที่มนุษย์รับได้และเทพบุตรทั้งสีก็วางพระโพธิสัตว์ไว้บนพื้นและที่นาฏศจันก็คือสังขารของท่าน ไม่มีอะไรเปื้อนเลยไม่มีเลือดไม่มีน้องไม่มีเมือกไม่มีอะไรเลยสะอาดบริสุทธิ์อันนี้ก็เป็นเดืองอัศจรรย์เชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้หลังจากนั้นบอกว่าท่านลุกขึ้นเดินอันนี้ขนาดเพิ่งคลอดออกจากท้องพระม a n ดา เดินเจเกเราประกาศว่าเราเป็นผู้เลิศในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐในโลกเราเป็นสูงสุดในโลกจากนี้เป็นชาติสุดท้ายอาจะไม่มีพบอีกต่อไปเราอ่านอย่างนี้เราจะเข้าใจอย่างไรแลอท่านต้องการให้เราได้ไดคิดอย่างไร คกิในการพิจารณาเรื่องนี้เราควรจะทราบว่าความเชื่อถือของคนในสมัยนั้นเป็นอย่างไรสมัยนั้นาาศาสนาที่แพร่หลายที่สุดในอินเดีย ก, ก็คือาศาสนาพราหมณ์และศาสนาพราหมณ์เหมือนหลา ย, ลายาศาสนาทั้งก่อนพุทธกาลและหลังพุทธกาล มองมนุษย์ว่าเป็นสัตว์อ่อนแอเป็นสัตว์มีบาปเป็นสัตว์ที่ช่วยตัวเองไม่ได้ไม่เป็นตัวของตัวเชื่อว่าชีวิตของมนุษย์เป็นปายตามการตนบันดาลของสิ่งที่ตามองไม่เห็นฉะนั้นผู้ที่เชื่ออย่างนี้ เขาก็จึงเข้าใจว่ามนุษย์เราจะมีความสุขชีวิตจะเจริญด้วยการเอาออกเอาใจผู้ที่ตนบันดาลชีวิตของเราให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขอร้องอ้อนวอนอย่าให้ลงโทษเราเลยขอให้ ดนบันดาลให้ชีวิตของเรามีแต่ความสุขความเจริญฉะนั้นศาสนาเกือบทุกศาสนาจะต้องมีพิธีขอขอนั่นขอนี่อยู่ด้วยอันนี้เรียกว่าเป็นศาสนาขอโดยเข้าใจว่าเราเราเองโอนแอร์เราเองทำอะไรไม่ได้แล้วถ้าจะพัฒนาตัวเองอ่ะจะได้ใน ในระดับหนึ่งแต่นายที่สุดแล้วต้องขอให้พระผู้เป็นเจ้าหรือใครก็แล้วกันมาช่วยเพราะเราเองทำไม่ได้ในสมัยอินเดียความคิดอย่างนี้พัฒนาไปมากแลามันความคิดอย่างนี้มันจะทำให้ลายมันยุ่งเหยิงสับสนไปมากเพราะ เมื่อคนเขาทําพิธีบูชายาันพิธีผงสวงอะไรอย่างนี้ขออะไรสักอย่างไม่ได้เขาจะไม่คิดว่าเขาคิดผิดว่าสิ่งที่เขาต้องการไม่ได้มาในทางนี้เขาจะกลับคิดว่าเราเราทำไม่ดีเราควรจะทําให้ดีกว่านี้ควรจะทําให้ผิดศรัทกว่านี้อเคยฆ่าวัว ปูชายันแค่ตัวเดียวก็ควรจะฆ่าสิบตัวมันจึงจะได้เมื่อฆ่าสิบตัวไม่ได้ก็ก็คิดว่าโอ้พระผู้เป็นเจ้าหรื อ, อผู้ผู้บนเมฆนี้ท่านยังไม่พอใจสิตัวมันไม่พ อ, อเพิ่มเป็นร้อยตัวมันจะมันจะเป็นอย่างนี้มันจะปรุงแตง่งมันจะพิสดารเนาะไปเรื่อยๆจนในที่สุดแล้วมันจะเกิดวิปลาสว่า แค่ฆ่าสัตว์เราคงไม่พออาจจะต้องฆ่าคนอาจจะต้องฆ่าคนบริสุทธิ์เอาสาวพรหมชารีาม า, ามาตัดคอทจนี้ก็ยังมีอยู่เมืองคาลกตาตามีเจ้าแมกกาเรอาปากอย่างนี้เขาก็แอบทำไปตัดคอผู้หญิงสาวพรหมชารีเลือดก็พุ่งออกมาเข้าปากของเจ้าแมกกาเรย์พดี อนนี้สมัยนี้มันยังมีความคิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนในสมัยนั้นก็ถือว่าผู้สูงสุดในโลกผู้เลิศในโลกผู้ประเสริฐในโลกไม่ใช่มนุษย์ผู้ที่เลิศที่ประเสริฐที่สุดคือพระพรหมคือพระวิษณุพระศิวะคือสิ่งที่มนุษย์สร้างอะไรขึ้นมา ด้วยความคิดปรุงแต่งของตอนเราไปปู้ชาสิ่ง น, นั้นล้วเป็นหลอกตัวเองว่าความสุขความทุกข์มันอยู่กับความอพอใจและความไม่พอใจอของอสิ่งที่ตัวเองปรุงแต่งขึ้นมาโดยจินตนาการและอโดยความหวาดกลัวพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ต่อด้านความคิดอย่างนี้ตลอดมา ว่าชีวิตของเราจะดีจะชั่วจะเกาหน้าจะเสื่อมถอยนะก็อยู่ที่เราฉะานั้นสิ่งแรกที่พระโพธิสัตว์อยากจะบอกแกมูมนุษย์อยากจะประกาศเลยว่ามนุษย์เราเนี่แหละที่ว่าสูงสุดท่านก็ไม่ได้หมายถึงตัวท่านหรอกในในในวันนั้นท่านหมายถึงตัวท่านในฐานะเป็น มนุษย์คนหนึ่งมนุษย์ที่ได้รับการฝึกฝนอบรมได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์แล้วเป็นผู้เลิศในโลกผู้ประเสริฐในโลกพระอรหันต์เป็นที่เค า, ารพบูชาแม่ของพระพรหมแม่ของเทวดาแม่ของสิ่งทั้งหลายทั้งปวง เรื่องอที่ที่ว่าเมื่อกี้นี่ว่ามนุษย์ปรุงแต่งอะไรต่ออะไรขึ้นมาด้วยจินตนาการแล้วไปบูชาอันนั้นหมายได้หมายความว่าเราไม่เชื่อแต่เราปฏิเสธว่าสิ่งที่ตามองไม่เห็นไม่มีเลยมันเป็นเรื่องความหลวไหลเราก็ยอมรับว่ามีจริงเทวดาวก็มีจริงแต่ว่า เทวดาต้องมากราบมาไหว้มนุษย์ที่ได้ฝึกฝนดีแล้วเพราะมันเพราะเทวดาต้องยอมรับในคุณธรรมฉะนั้นการประกาศอิสรภาพของมนุษย์ของพระโพธิสัตว์ในวันประสูตรนั้นเป็นสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่สาคัญมากแล้วก็เป็นเหตุเหตุหนึ่งที่ปรกล่าได้มาร่วมกันวันนี้เพื่อจะได้ฉลอง ในความเป็นอิสรภาพของมนุษย์ชีวิตของเราไม่เป็นไปตามดวงไม่เป็นไปตามการตอนบันดาลของใครหรอกมันเป็นไปด้วยอำนาจของสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราพูดและสิ่งที่เราคิดอยู่ทุกวันนี้และสิ่งที่เราได้ทำได้พูดได้คิดในอดีตเราต้องการชีวิตของเราให้เป็นอย่างไรมันจะเป็นอย่างนั่งตามอำนาจของ เหตุปัจจัยเราต้องการให้ทานข้าวสุกถ้าเราเอาข้าวสารอเอาไว้ในหม้อแล้วก็เอาหมอนั้นไปไว้ในที่ปูชาแล้วก็ขออ้อนวอนอให้พระผู้เป็นเจ้าหรือใครตนบันดาลให้ข้าวนั้นสุกมันจะได้ไหมมันไม่ได้เราต้องการข้าวสุก ต้องรู้จากเหตุปัจจัยที่จะได้ข้าวสุกจะต้องอใส่น้ำแล้วก็จะต้องตั้งไว้บนไฟให้มันร้อนให้น้ำเดือดเราจึงจะได้ข้าวที่เราฉันได้มันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาอย่างนี้เรื่องที่ เป็นธรรมดาในเรื่องวัตถุธรรมกับเรื่องทางนามมาทำมันก็คล้ายกันหลักการนั้นเดียวกันมันไม่ใช่เรื่องลึกหลับอะไรหรอกเราต้องการความดีเราจะได้อย่างไรก็ต้องทําดีผู้ ด, ดีคิดดีต้องเลิกในการทําชั่วผู้ชั่วคิดชั่วมันไม่ เ, เรื่องตรงไปตรงมาอย่างนั้นอมันไม่ใช่เรื่องที่จะไปต้องไปบวงสรวงที่จะต้องไปทําพิธีกรรมอะไรออย่างนั้นหรอกฉะนั้นอ เราต้องเชื่อว่าเราทุกคนไม่ว่าเราเป็นคนไทยเป็นคนดังชาติเราเป็นผู้ชายผู้หญิงเราทุกคนมีความสามารถที่จะพ้นจากความทุกข์ที่จะเป็นผู้ประเสริฐในโลกและการจัดสรุปซึ่งของพระพุทธองค์ซึ่งเราถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด ที่เคยเกิดในประวัติศาสตร์ของจักรวาลนี้ทั้งไม่รู้กี่พันล้านปีกี่กี่ล้านล้านปาีสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่ อ, อสองพันห้ารอยกว่าปีที่แล้วที่เมืองอินเดียนั่นแหละสําคัญที่สุดไม่ต้องคิดนานหรอกว่าอะไรสําคัญอะไรไม่สัมพูดใดเลยพระตะก o r ะคนไม่รู้เขาไม่มีทางเดินเขาไม่มีทางพัฒนา เมื่อจิตสงบแล้วคนในสมัยนั้นเขาก็ถือว่านี่คือไพรนิพานฉันเป็นอารหันแล้วจิตใจฉันสบายไม่ได้คิดอะไรมากเป็นอารหันแล้วคนก็สมัยนั้นเขาก็คิดอย่างนั้นเขาก็ไม่รู้ว่ามันลึกซึ้งกว่านั้นแต่พระพุทธองค์จงต้องตัดสู้ความจริงเข้าใช้ธรรมชาติของมนุษย์ และทั้งก็ประกาศในวันวิสาขบูชาสิ่งที่ล้ำค่าก็คือความรู้ว่าการปรนทุกขนั่นแหละที่ปูุกถึงเมื่อกี้นีที่ทำประกาศการป้นทุกที่มนุษย์สามารถเข้าถึงนั้นท่านจะบอกวิธีการว่าเกิดโดยปัญญา mm hmm. ง่ายๆฮะ การพ้นทุกข์คงมนุษย์ความสุขที่แท้จริงคงมนุษย์มนุษย์บรรลุได้ด้วยปัญญาโดยการ ร, รู้เข้าใจธรรมชาติของตัวเองว่าเราคือใครเราคืออะไรท่านบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยยังไม่รู้ว่าเราคืออะไรแต่พอเรารู้ว่าเราคืออะไรแล้วเราก็กล้า ประกาศตนว่าเป็นปัตฐาคตเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าดัสรูแล้วถ้าเราธรรมาขอสรุปง่ายๆว่าท่านได้คนพบอะไรในวันนั้นท่านได้คนพบความจริงง่ายๆว่ารูปนี่ร่างกายนี้ก็แค่ร่างกายเวทนาความรู้สึก ก็แค่ความรู้สึกสัญญาความจาได้หมายรู้ก็แค่ความจำได้หมายรู้สังขารความนึกคิดต่างๆก็แค่ความนึกคิดวิญญาณการการเห็นรูปการได้ยินเสียงการได้กลิน่นได้รสได้โพธิปะธรรมไ้ราก็สักแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นคือไม่มีอัตตาตัวต่ออยู่ในที่นั้นไม่มี ผู้ทำไม่มีผู้คิดไม่มีผู้ทุกข์ไม่มีผู้สุขแต่มีแต่อาการเหล่านี้เกิดขึ้นและดับไปตามเหตุตามปัจจัยของมันและพระพุทธองค์จึงอุทารออกมาว่าความสุขที่แท้จริงคือการที่ไม่มีความรู้สึกว่าเราเลิกของเราในชีวิตของเราเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรมันจะสุขจะทุกข์ มาอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงที่ความรู้สึกว่าเราว่าของเราคำว่ายึดมั่นถือมั่น ม, มันคืออะไรเราก็ยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายนี้สังขารนี้คือเราคือของเราความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์คือเราของเราความ สัญญาสังขารวิญญาณหนังคือเรานังคือของเรานี่แหละผิดตรงนี้ทุกตรงนี้พุทธองค์บอกว่าไม่ใช่ไม่เชื่อก็ลองดูแลให้เราสังเกตเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจาักการผูพกพันตัวเองไว้กับความรู้สึกเราว่าของเรา ความรู้สึกของของของอ น, นั้นเข้มข้อนอยู่ตรงไหนความทุกข์มันจะสาหัสอยู่ตรงนั้นที่ไหนที่เราสามารถปล่อยวางความรู้สึกว่าเราว่าของเรานี่แหละจะได้เจอความสุขอยู่ตรงนั้นไม่มากก็นหอยและก็สังเกตเอกลักษณ์ของคำสอนพระพุทธองค์อีกข้อหนึ่งว่าสิ่งที่ท่านสอน ไม่จำเป็นต้องเชื่อแล้วถ้าเชื่อเราก็เชื่อเชื่อไว้ก่อนในลักษณะเดียวกับนักวิทยาศาสตร์ต้องเชื่อในสมมติฐานของเขาไว้ก่อนเมื่อเขามีสมมติฐานแล้วนักวิทยาศาสตร์จะได้ไปทดลองแล้วก็ไปดูว่าผลการวิจัยมันตรงกับสมมติฐานของเราหรือไม่ถ้าหากว่าตรงแสดงว่าสมมติฐานของเราของถูก กลายเป็นชิตรีขึ้นมาเพื่อประโยชน์ต่อไปพุทธเจ้าเหมือนกันท่านบอกว่าเราทุกไม่ใช่ทุกเพราะคนอื่นหรอกไม่ใช่ทุกเพราะสิ่งที่ตามองไม่เห็นข้าง น, นอกแต่ทุกเพราะความคิดผิดทุกเพราะเราไม่รู้ตัวเองเมื่อเราไม่รู้ตัวเองแล้วก็ยังไม่รู้คนอื่นไม่เข้าใจตัวเองไม่เข้าใจคนอื่น เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราจะหลีกเลี่ยงความคาดแยง้งความความทุกข์ใดอย่างไรอยู่ในความมืดเราจะเลี่ยงการชนสิ่งนั้นชนสิ่งนี้ได้อย่างไรบ่มเป็นไปไม่ได้ัรพระพุทธองค์จึงบอกว่ามนุษย์เราต้องรับผิดชอบชีวิตของตัวเอง อย่าไปโทษคนอื่นเลยอย่าไปโทษสิ่งอื่นเลยไม่มีสิ่งใดไม่มีผู้ใดบังคับให้เราเป็นทุกข์ทางใจได้ถ้าเราไม่ทิ้งเราไม่ปล่อยปละละเลยในคําสั่งสอน พ, พุทธเจ้าไม่ปล่อ ย, ไ ม, อ ย, ไ, มอยไม่วางสิ่งที่เป็นจริงแต่กล้าปล่อยกล้าวางสิ่งที่ไม่จริงสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความจริง กันให้เราเลื่มหูเลื่มตามาดูว่าเราคืออะไรร่างกายนี้เป็นเราจริงๆไหมของเราจริงๆไหมเวทนาความรู้สึกเป็นของเราจริงๆนะทีนี้โลกเรามันเป็นบ้าด้วยการติ้นรนแสวงหาสุขเวทนานเห็นทั้งหมดเลยกิจกรรมของพุทธชนเราคืออะไร เพื่อป้องกันไม่ให้ได้รับทุกเวทนาและเพื่อจะได้สุขเวทนาให้มากที่สุดเพราะอะไรเพราะเข้าใจว่าสุขเวทนาเป็นของเรายอดชีวิตคือการได้สุขเวทนามากๆได้สุขเวทนาอยู่ตลอดเวลา น, นี่เป้าหมายชีวิตของคนส่วนใหญ่แต่พระพุทธองค์บอกเดี๋ยวเดียวหยุดไว้ก่อนให้ม่คิด ด, ดีก่อนสุขเวทนานั้น มันเป็นของเราหรือหม่เป็นของเราจริงจริงไห ม, มเมื่อเราได้สุขเวทนาแล้วเรารักษาได้ไหมบังคับให้มันอยู่กับเราตลอดเวลาได้ไหมมันก็ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นสุขเวทนาควรจะเป็นเป้าหมายชีวิตอย่างนั้นเลยเราต้องตอบว่าไม่ควรถ้าได้ก็ดีเราก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่ว่าไม่ควรจะตั้งไว้เป็นเป้าหมายชีวิต เปล่าหมายชีวิตคือสิ่งที่เหนือเวทนาเพราะเวทนาบางยังเป็นการปีบคันอยู่มันยังเป็นความไม่สงบอยู่มันยังไม่ใช่สิ่งสูงสุดไม่ใช่นิพพานหลังจากพระพุทธองค์ทรงาตัดสรุแล้วท่านก็ไม่ได้อยู่เฉย เพราะว่าผลของการรู้จริงเห็นแจ้งก็คือความเมตตากรุณามันอยู่ด้วยกันถ้าเกิดปัญญาแล้วจะต้องสงสารสัพเพสัตทั้งหลายถ้าคนอ้างว่าตัวเองมีปัญญาแต่ไม่สนใจจะช่วยลดความทุกข์ของสัพเพสัตทั้งหลายแสดงว่าเป็นปัญญาปลอมเพราะปัญญาเกิดที่ไหนความเมตตากรุณาก็จะเกิดที่นั่นถ้าเป็นความเมตตากรุณาที่แท้จริง ก็ต้องมีปัญญาด้วยพุทธองค์จึงทรงใช้เวลาที่ยังเหลืออยู่ในชีวิตของท่านทั้ง45ปีในการสังสอนในการเผยแพร่สิ่งที่ท่านได้รู้ได้เห็นเพื่อประโยชน์ของคนทั้งในสมัยนั้นและในในรุ่นต่อๆมารวมทั้งพวกเราทั้งหลายด้วย นที่สุดอตอนท่านอายุทั้งปดสิบปีท่านก็ฝากข อ, อคิดฝากสิ่งที่สำคัญไปอีกสิ่งหนึ่งไว้กับการพรินิพานนั่นก็คือความตายของท่านคือพระพุทธองค์อยากสงอยากให้เราเห็นให้เราซ้ำนึกว่า แม่พระพุทธองค์ต้องตายเหมือนกันคือไม่ใช่ว่าท่านอยู่ตลอดกาลนานไม่ใช่ว่าสังขารท่านพ้นจากความเกิดความแก่แก่ความเจ็บความตายท่านไม่ได้สอนการลุดพ้นโดยสังขารแต่ท่านสอนการลุดพ้นจากสังขารเพราะเราเมื่อเรา ความรู้สึกว่าเราว่าของเราขาดไปแล้วรูปอิจนาสัญญาสังขารไมไ่ไม่มีผิดนิพายแล้วไม่เป็นไรมันก็ไปตามเรื่องของมันไม่ใช่ว่าเก่งแล้วเห็นธรรมแล้วร่างกายมันจะแข็งแรงอยู่ตลอดกาลนาไม่ไม่ใช่พระพุทธองค์นี่ต้องปวดหลังบ้างปวดแอวมั่ง ปีสองปีสุดท้ายท่านก็มีทุกขเวทนาหลายอย่างและวันสุดท้ายวันพรรณิพานท่านก็เป็นโรคปิดอย่างรุนแรงท่านอาเจียนทั้งทายเลือดไทมุกไทอะไรเหมือนคนธรรมดาเพราะท่านอยากจะให้เราทราบว่าอสิ่งที่สูงสุดนั้นมันไม่ได้อยู่ที่วัตถุไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย การรุดพ้นไม่ได้อยู่กับสิ่งเหล่านั้นแต่อยู่แต่ความรู้สึกต่อสิ่งเหลานั้นและในวันสุดท้ายท่านก็ฝากปัชิโมวาดสองข้อพวกเราก็สวดบ่อยๆกับคงซาแต่ก็มีความคิดที่สำคัญอีกข้อหนึ่งแฝงอยู่ในในบทนี้ที่พระพุทธองค์ทรงว่าสังขารทั้งหลายทั้นปูมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา พวกเราต้องถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทท่านให้เราเห็นว่าสิ่งสองสิ่งนี้สัมพันธ์กันอย่างแยกออกจากกันไม่ได้เพราะสิ่งทั้งหลายท่านปวงไม่เที่ยงเพราะ ม, ม, มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาฉะนั้นพวกเราต้องถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทอนี้คนจํานวนไม่น้อยอที่เห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงหรือเชื่อว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงจึงประมาท เมื่อมีอะไรที่ควรปรับปรุงแก้ไขก็เคียดเกียดขี้คร้านอ้างว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเองเดี๋ยวมันก็ดีไปเองบ่เ่ากับเชื่อว่าสิ่งทั้งหลายตั้งปวงมีความเสื่อยไปเป็นธรรมดามีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาฉะนั้นขอให้พวกเราอยู่ด้วยความเฉยเฉยเถิดอย่างนี้น ปุเจาม่ได้สอนอย่างนั้นเพราะมันเสื่อมไปมันเปลี่ยนไปเราควรจะรีบแก้ไขชีวิตของเรามันสั้นและชีวิตมนุษย์นี่เป็นชีวิตอันเลอะอาประเสริฐพราะเป็นชีวิตแห่งการพัฒนาเกิดเป็นเทวดาพัฒนาไม่ได้หรอกเกิดเป็นสัตว์นรกมันไม่ได้มีแต่รับผลกรรม